เหน่อยมากครับผมพอง้างกนเช้าถึงเวลาลังจะเกิดมงเช้างัางจนกระทั่งเครื่องกว่าของที่ก็มาขวายตึกก่อกันไม่มีเวลว่างเลยกึกก่อกันค่อางถึงเครื่องเครื่องกว่าพอเกิ็พุมก็นื้อเลยเพราะมันง้งมาไม่ไหว ช่องคำก็สามถึงสามกิโลเยอ3สี่สิบเจ็ดบาทอื่สิบาาคูดก็ไม่พูรมากของนะเพราะเหนื่อยวันนี้มม่จะพูดเหนื่อยมันเหนื่อยมันจะขาเอย่า ก็มีวันนี้ละทีนั่งถึงห้าชั่วโมงไม่ได้ไปไหนเลยไม่ได้เปลี่ยนเลยอะไเลยนั่งนั่นเราเลือไม่ได้ว่าเรานั่งที่ไหนนานขนาดนั้นไม่เคยมีคเมื่อเช้านี่มีที่นี่จะตำหนิแตอตำหนิไม่ได้ตำหนิตัวเองก็ตำหนิอะไรเพราะงานติดต่อไปเรื่อยต้องจะไปนั่งปั๊บติดกันเรื่อยเรื่อยเรืยเพราะ เทาเสียแล้วถวายนั่นนี่เรื่อยมาเลยจนได้เล่งเขาเพราะเราเหนื่อยมากให้เล่งถวายเข้ามาให้เล่งนะครวาวเวลาก็ต้องเป็นกรรมยาใส่เขารอกันต้องให้เล่งเขาเล่งเขาเพราะเราเหนื่อยการปฏิบัติของพระนี้ต้อง ยึดหลักพระวินัยเป็นพื้นฐานของพระนะถ้าพระวินัยได้บกพร่องแล้วระหว่างพระที่อยู่ด้วย ก, กันจะหาความสนิทกันไม่ได้นะนี่แหละที่แตกแยกไปเป็นนิกายนะั้นิกายนี่เพราะความประพฤติยิ่งยอนกว่ากันรังเกียจกัน ถ้าต่างคนต่างมีหินโอตปะปฏิบัติหน้าที่ของตนตามหลักธรรมวินัยแล้วอยู่ด้กันเป็นสุขถ้าพระวินัยเคลื่อนไปเท่านั้นแหะหาความสุขต่อกันไม่ได้ละแค่ละคายเข้ากันไม่สนิท หลักพินายสำคัญมากนะจะ ต, ตล่อมตีกิตตัวเองนี่ให้เข้าสู่ความสงบในองค์ภาวานาได้ง่ายโดยไม่มีความกังวลละแคะระคายกับสิขาบทวินายน้อยใหญ่ว่าตนปฏิบัติ บ, ตบกพร่องอย่างนี้ไม่มีจิตใจย่อมไม่เป็นกังวลการภาวานาก็สะดวกสบาย หลักของพระเราพระวินัยเป็นสำคัญมากสำหรับผมเองนี่นี่ในฐานะผมเป็นหัวหน้าผมก็พูดให้ฟังธรรมดาผมนี่เข้มงวดกวดขันมาตั้งแต่บวชตลอดมาเลยนะที่จะให้ได้จำหนิติเตียนตนเกี่ยวกับเรื่องพระวินัยว่าบกพร่องอะไรอย่างนี้ไม่ไหมไอ้ส่วนที่ปิดพลาดด้วยความ ไม่รู้ไม่เห็นรู้เท่ากาันนั่นเรามีหินอ่อนตะป่าอยู่แล้วผิดพลาดด้วยความพังเถลของเราก็เป็นอีกอย่างหนึ่งมีได้ด้วยกันอันนี้นะแต่ที่มีเจตนาแฝงนี่เรียกว่าไม่ใหม่เลยเพราะฉะั้นอย่าให้มีผู้ใดก็ดีถ้ารงเจตนาแฝงจากฝืนที่ขับบวินยัยก็เท่ากับทําลายพระพุทธ เ, ทเจ้าคือศาสราองค์เอกแล้วก็หาความหมายไม่ได้เลย ถ้าลงได้ทำลายพวินัยซึ่งเป็นองค์แทนศาสดาแล้วเพราะพวินัยเป็นรั้ว ก, กั้นสองภาคทางไม่ให้ปีกแย่แวะออกไปทางไหนเดินกงกลางก็คือเดินตามธรรมความละแคะละคายทางด้านจิตใจก็ไม่มีเดี๋ยวก็เรื่องพวินัยการปฏิบัติธรรมก็ราบลื่นดีงามถือเรื่อง เรื่องมรรคผลนิพพานนี้ให้ถืออยู่กับหลักธรรมหลักวินัยนะยาอะไรมาเป็นเครื่องประกันเป็นเครื่องทดสอบพระพุทธเจ้าทรงตรัดไว้เรียบร้อยทุกอย่างจากความรู้ความเห็นของพระองค์ถึงขั้นเป็นศาสต ร, ราเอกของโลกไม่มีที่ตำหนิดีดเตียนตรงไหนไม่ว่าพระวินยัยไม่ว่าพระธรรมกงแนวตามนั้นเลย พระวิไนก็คือเป็นรัวกันทั้งสองฝากทางไม่ให้แยกให้แยกข้ามพระวินัยไปออกนอกรูน อ, อกทางแหละถ้าลงข้ามพระวินเนี่ยไม่หวังหวังไม่ได้เลยแหละเรื่องมรรคผลนิพพานไม่มีทางจะหวังได้ถ้าจิตได้เหยียบพระพุทธ เ, ทเจ้าซึ่งเป็นองศาสดาอยู่ในพระวิไนนั้นแล้วจะไม่มีหวังนะ ขอให้เป็นผู้มีหีรตัปะปาต่อองค์ศาสดาโดยเคารพในพระวีไนแล้วจะอบอุ่นภายในใจยิ่งเวลาแต่ก่อนที่ไปอยู่นในเหมือนทุกวันนี้อยู่ในป่าช้างป่าเสือนี่โอ้พระวนัยสำคัญมากนะอบอุ่นนะไปอยู่ในป่าในเขาจะเป็นจะตายก็เสือก็หืมก็หิมอยู่สอง อ ย, อ, อยู่ข้างทางจงก่มอยู่ที่พักมันผ่านไปผ่านมาอยู่ตลอดก็กมันเป็นอย่างนั้นมันอยู่ในป่าเขาจิตใจนี่ศีลบริสุทธิ์นิ่งสำคัญมากทีเดียวอบอุ่นเอาตายเราก็ไปสวรรค์เลยเดี๋ยวตายก็ไปสวรรค์จิตใจก็เกิดความกล้าหาญต่อการภาวนาไม่ สะทกสาทาเรื่องความเป็นความตายเพราะศีลนี่เป็นเครื่องปรกกันชีวิตคือความวิตกวิจารณ์ในการตายของตัวเองได้เป็นอย่างดีนี่เป็นนะในหัวใจผมเป็นมาแล้วที่เนีพูดให้หมูเพื่อนฟังสำคัญที่ศีลเพราะฉะนั้นเวลาไปอยู่คนเดียวคนเดียวตึงต้องใช้ความระมัดระวังเรื่องจะผิดพลาดในศีลเป็นอย่างมากทีเดียว ไม่ผิดพลาดได้เลยเพราะไปอยู่องค์เดียวเวลาผิดพลาดมาจะไปแสดงอบัตโทษของตัวเองอาจารย์โทษของตัวเองต่อพระองค์ใดมันก็ไม่มีจึงต้องไดใช้ความระมัดระวังเดี๋ยวคำว่าใช้ความระมัดระวังมันก็อยู่รอบตัวนั่นแหละความใช้ก็ดีเพราะไม่เกี่ยวกับหน้าที่การงานอะไรพอจะให้ผิดพระวินัยนี่อบอุ่น เดินจงกรมนั่งที่ไหนก็ตามหากจะเป็นจะตายสิงก็อบอุ่นแต่ว่าอํานาจแห่งสีนี้ทําให้เหมือนกับกําแพงกัน้นชีวิตของเราไว้เหมือนกันนะเมื่อจิตอยู่ในขั้นนั้นสีนี่เป็นเหมือนกําแพงกัน้นเหมือนกันอบอุ่นไม่กลัวอะไรนั่นนี่แหละสีจึงเป็นของสําคัญยิ่งทําจิตให้มีความสงบเย็นเข้ามาแล้ว แล้วก็ยิงแนบแน่นเข้ามาแนบแน่นเข้ามาเพราะนั้นผู้ปฏิบัติให้ตั้งสติให้ดีคำนี้อย่าได้ลืมเป็นอันขาดนะการจะตั้งรากตั้งฐานของจิตนี่สตินี่เป็นสาคัญมากทีเดียวเสียติธรรมดาที่เราเดินไปเดินมาเป็นอย่างหนึง่งสติประจำความเพียรรักษาใจไม่ให้ดีดให้ดิ้นไปสู่กิเลสตัณหาซึ่งมัน เคยทําลายเมามากและทรมานเรามามากต่อมากแล้วไม่ออกไปสู่สิ่งที่เป็นภัยอย่างนั้นให้มีความเฉดลาบและมัดระวังตนเสมอไอ้เรื่องมรรคเรื่องผลนี่ดูกับใจนี่เลยคือเอาภาคปฏิบัติข้อปฏิบัตินี้เป็นหลักเป็นเครื่องประกันเป็นเครื่องรับรองเรื่องมรรคเรื่องผลตั้งแต่สมถะธรรม คืความสงบใจจนกระทั่งสมาธิมีความแน่นหนา ม, มั่นคงจิตใจมีสงบผ่องใสเย็นสบาย่ภายในนั้นจากนั้นก็ออกทางด้านปัญญาถ้ามีแต่ความสงบมีแต่สมาธิอย่างเดียวไม่ใช้ปัญญานี่อจะไม่ได้ผลทางด้านถอดถอนกิเลสนะคือสมาธินี่ไม่ ไม่ใช่เรื่องการถอดถอนกิเลสนะอ ม, มันเป็นการตีตะล่อมอารมณ์ของกิเลสเข้ามาสู่สมาธิคือความสงบเอาไว้เป็นเหมือนหินทับหญยาทับไว้อย่างนั้นเวลาเราเร่งความสงบมากๆนี่จิตใจมันแนบแน่นแม้แต่จะคิดจะพุงเรื่องอะไรนี่ก็ลำคาญมันไม่อยากคิดทั้งๆที่แต่ก่อนมันดีดมันดิน่ n ไม่ได้คิดได้ปรุงอยู่ไม่ได้นะนี่อำนาจของกิเลสมันฉุดลากจิตใจอย่างนี้ทีนี้เวลาสมาธิบีบบังคับเข้าไปบังคับเข้าไปใจมีความสงบแน่นหนามั่งคงขึ้นไปอยู่ที่ไหนมีอารมณ์เป็นอันเดียวมีแต่ความรู้แน่วแน่วนั่งอยู่ก็จะเป็นอย่างนั้นทีนี้เวลาจะคิดถึงอารมณ์อะไรายนี้มันไม่อยากคิดนะมันลำคาญ น, นั่นเห็นไหมล่ะ มันโกงการข้ามนะแต่ก่อนอยากคิดอยากปรุงพะสมาธิมันเต็มที่เข้ามันแล้วนี่ไม่อยากจิตอยู่กับความรู้อันเดียวเชื่อเอกจิตเอกธรรมหรือเอกกตารมนี่เอกตากิตนั่นมันสบายทั้งวันอยู่ไหนอยู่ได้สบายอยู่แต่มันก็ได้เท่านั้นนะที่จะให้ถอดถอนกิเลสตัวใดถอดไม่ถอดถอนหรือระงับกิเลสเข้าสู่ความสงบที่เท่านั้นพอออกทางด้านปัญญาแล้วที่นี่เอา ด้านปัญญาคืออะไรปัญญาพินิจพิจารณาตามหลักพิชาที่ระบุดในเบื้องต้นซึ่งพระพุทธเจ้าประธานให้แล้วว่าเจสาโลมานขาทันตาแต่โ จ, โจนี่บอกลงแค่นี้เพื่อจใจเข้าถึงส่วนใหญ่แต่โจแล้วก็ลง <c oughs> เข้าสู่ภายในหนังเนื้อเอ็นกระดูกกับไตใส้ผุมภายในมีแต่ของปฏิกรุงโสโครข้างนั้นเต็มไปหมด ในร่างกายของเราหนังบางๆนะฮึไม่ได้หนาเท่าใบลานเท่ากระดาษอะไรเลยล่ะนี่ละ่ะเครื่องหลอกตาของจัตโลกหลอกอยู่ตรงนี้นะเออว่าสดว่าสวยงดงามก็ไปเห็นผิวผิวผิวหนังนี่ละ่ะเนี่ยนี่ละ่ะมันคนทั้งคนมีความที่พอมองดูได้อยู่บ้างก็คือผิวหนังว่าสะอาดสะอา้าน เนยักฟอกเช็ดถูล้างต่างๆอยู่ตลอดเวลาก็ว่ามันสวยมางามแล้วดูที่มันไม่ได้หนาเท่ากระดาษเนี่ยเครื่องหลอกตาโลกนี่นี่ใช้ปัญญาต้องพิจารณาไอ้เรื่องเกสาลูมานะคาต่างๆแต่ จ, จุเราจะพิจารณากรมมฐานใดก็ได้ไม่ใช่ว่าจะไล่ไปไล่มาอย่างนี้นะเป็นความสนิทกับจริตนิสัยของเรา แม้แต่สิ่งที่ท่านไม่บอกซึ่งเป็นองค์อริยสัต์เหมือนกันเราก็นํามาพินิจพิจารณาและบริกรรมได้เพราะเป็นอริยสัต์เหมือนกันเช่นจากตาโจแล้วเป็นอะไรแล้วหนังเนื้อเอ็นก็ดูกนั่นคืออะไรมันก็เหมือนกันอริยสัต์อันเดียวกันแต่ท่านบอกเพียงเอกเทศเมื่อเข้าถึงหนังแล้วมันกระจายไปหมดแล้วไม่มีหนังดูกันไม่ได้นั่นเห็นไหมละ่ะ สัตว์โลกนี่หลงหนังหลงหนังอะไรจะเป็นอะไรไปหลงหนังหลงหนังพิจาณาหนังนี่แล้วมันบางๆเข้าไปก็เป็นยังไงเพียงทะลอกเท่านั้นมันก็ดูไม่ได้แล้วนะผิวหนังถลอกนิดหน่อยก็ดูไม่ได้แล้วขาดความสวยงามตามที่ล็ธเจษสันรประยอไว้แล้วนั่นเะห <c oughs> มืนทึงว่าเกษารมานขะาตันตาตะโจเราถนัดในกรรมถ า, านใดให้ดู จากโจจากนั้นก็ดูเนื้อดูเอ็นกระดูกไปดีดับไตไส้ภุูมตามแต่ความถนัดของใจนี่ท่านเรียกว่าปัญญาให้พิจารณาทบทวนไปมาหลายข้างหลายหนตามแต่จริตนิสัยจะชอบหรือจะจดจ่อกับอาการใดของร่างกายเหล่านี้เป็นอริยสัจทางนั้นเราปิดด้วยกันทางนั้นแหละ พิจารณาเนี่ก็เพื่อเป็นการขี่คลายสิ่งอา น, นี้ออกแล้วจิตจะค่อยขี่คลายตัวเองขีคลายตัวเองมาดูหนังดูแล้วดูเล่าพิจารณาพลิกไปเปลี่ยนมาอยาู่นั่นพอหาวบาวิธีที่จะให้เกิดปัญญาความเฉลียวฉลาดรู้รอบในสิ่งที่หลอกหลวงตามาแต่ก่อนคือร่างกายของเราทั้งหมดเนี่ยมีหนังเป็นต้นเนีดูพิจารณาดูนี้ย กำหนดพิธีการนี่ให้เป็นอุบายวิธีของแต่ละรายละหลายไม่ใช่อุบายการจะสอนทุกแง่ทุกมุมนะท่านสอนแต่หลักใหญ่เท่านั้นนะ่ะนะฝนตแล้วนะนี่หนะลัจากนั้นท้านไปี่ดทายเองพิจารณาดูในสิ่งเลนั้นด้วยสติจำกับตลอดเวลานะัตลบทบทวนไปมา ในเวลาพิจารณาทางด้านปัญญาเวลาจะกําหนดให้เป็นความสงบก็ให้เป็นความสงบจริงจรอย่าไปยุ่งกับเรื่องปัญญาสติติดแนบกับความสงบหรือคําบริกรรมใดที่เราเคยกํากับให้สติติดอยู่กับคําบริกรรมนั้นแนบสนิทเหมือนหนึ่งวัตโลกไม่มีมีแต่คําบริกรรมนี้เท่านั้นนั่นมีเรียกว่าการอบรมจิตให้สงบในเบื้องต้นนี่ สติสำคัญแม้แต่พิจารณาทางด้านปัญญาถ้าไม่มีสติก็ทะเทะลทลอืยท่านเพระฉะนั้นท่านจึงสอนให้ อ, อบรมให้จิตมีความอิ่มตัวพอสมควรเนี่ว่าสงบจิตสงบนั่นแหละคือจิตอิ่มตัวอิ่มอารมณ์ทั้งหลายที่เคยหิวโหวยกับอารมณ์นั่นอารมณ์นี้มาแต่ก่อนพอจิตสงบและอารมณ์เหล่านี้ก็เบาไปนั่นท่านเรียกว่าจิตเริ่มอิ่มตัว แล้วพิจารณาปัญญามันก็ทําตามปัญญาเคทําตามที่เราสั่งพิจารณาเรื่องอะไรมันไม่ทะเลทลายด้วยความหิหวโหยกับอารมณ์แล้วนั้นเหมือนแต่ก่อนเพราะจิตอิ่มอารมณ์พอสมควรยิ่งมีจิตเป็นสมาธิด้วยแล้วยิ่งอิ่มอารมณ์พิจารณาตรงไหนเป็นเรื่องใดเป็นเรื่องนั้นเรื่องนั้นไปเลยอย่างนี้ท่านเรียกว่าปัญญานี่ละ ตรงที่จะถอดถอนกิเลสคือปัญญาต่างหากนะมผมนี่ถกเสียงพ่อแม่กูจานมั่นอย่างหนักเดียวเรื่องสมาธิเพราะท่านขนาบเอาเลยนี่แล้ก็ติดสมาธิมาตั้งสี่ห้าสี่ปีห้าปีถามเมื่อไรเป็นไงทําหาจิตสงบยังเหลือก็บอกสงบดีว่างนี่เลยอพอถึงเวลาจะเอาท่านกับขนาบเอาเลยท่านเอาอย่างหนักแล้วก็ผมท่านจะนอนตายอยู่นั่นหรือขึ้นเลยนะ เฮ้มาสุขในสมาธิมันเท่ากับเนื้อติดฟันเนื้อติดฟันมีมีสุขยังไงบ้างเอาฟังว่าสนินั่นนั่นหละเขาว่าความสุขเนื้อติดฟันมันมีความสุขอะไรมันมีนอกจากลาคาลตอนนั้นเนี่ยแล้วนีจิตของเราติดสมาธิมันก็บแบบเดียวกันท่านก็นไล่ออกจากสมาธิอเพราะมันจิตติดจริงๆนะติดสมาธิไม่สนใจกับปัญญาเลยนั่นพอท่านไล่ออก นี่มันอิ่มตัวแล้วนี่สมาธิเต็มตัวพอท่านไล่ออกทางด้านปัญญาก้าวออกทางด้านปัญญามันก็ผึ่งผึงเลยเถอนะผมไม่ช้านะพอออกทางด้านปัญญาออกไปพิจนาอะไรก็มันอิ่มตัวแล้วนี่มันไม่ได้ยุ่งกับอะไรว่าพิจนาอะไรมันก็เป็นนั่นขึ้นมาด้วยสติสติสติแล้วค่อยเข้าเข้าใจเข้าอกเข้าใ จ, าออาใจซึมทราบข้าไปเรื่อยเรื่อย กิเลสนี่ให้เบาไดที่นี่อ่าสมาธิแต่ก่อนไม่ได้คํานึงว่ากิเลสเบาไม่เบามีแต่ความสงบอย่างเดียวพอถึงขั้นปัญญานี่รู้ว่ากิเลสเบาลงาเบาลงทอดดอกแก้โดยลําดับลำดัมันก็เบาลงเบาลงอือทีนี้ก็ประจักขึ้นอ๋อการแก้กิเลสนี่แก้ด้วยปัญญาเท่านั้นนั่นคิดสมาธิแก้ไม่ได้นั่นสมาธิไม่ใช่แก้กิเลสมันรู้ตัวเองนะเพียง ท, ทํากิเลสให้สงบ ไม่พองตัวเหมือนแต่ก่อนซีไม่มีสมาธิเท่านั้นพอมีสมาธิแล้วจิตก็ไม่พองตัวอยู่ในความสงบแต่มันจิตมันอันที่เรศมันมันไม่สอนออกไปอพอออกทางด้านปัญญานี่รู้เรื่องรู้ราวเรื่อยจิตต้องมีความสว่างสวยขึ้นมาพิจารณาอะไรมันกระจางแจ้งกระจ่างแจ้งขึ้นมาเดี๋ยวเพราะร่างกายนี่โอ๊ยฟาดลงตร ง, ตรงไหนนี่ขาดสะบั้นสะบั้นนี่เห็นไหมความชำนาญของปัญญา จนกระทั่งมันขาดสบัตตอกจากกันจากอุปทานอยู่ด้วยนั่นเลื่อยไปเลยมีแต่ปัญญาค่ากี่เลยสมาธิมาได้ขาแต่เป็นเครื่องหนุนให้ปัญญาเดินคล้องตัวนะขอให้ทุกทุกท่านได้ปฏิบัติอย่างนั้นองค์นะให้ตั้งหน้าจังตาปฏิบัติเรื่องมรรคผลิพานไม่ต้องพูดอาการิโกคำเดียวคือใครเป็นผู้แสดงไว้ก็ศาส า, างองค์เอก ไม่มีการสถานที่เวลามีลาทั้งกิเลสทั้งธรรมกิเลสก็หมุนประทางมันก็เป็นกิเลสขึ้นมาวันย่างคําหมุนประทางธรรมะก็เป็นธรรมะขึ้นวันย่างคํานั่นหมุนประทางธรรมะสีมันอยู่ในใจอันเดียวกันมรรคผลทิพผานไปคาดดินฝ้าอากาศที่ไหนทั่วแดนโลกธาตุไม่ใช่บาปใช่บุญนักมรรคผลนิพผานไปอะไมันอยู่ที่ใจ ให้หมุนใจแจ้ใจตัวเองนี่แล้วมันจะสว่างขึ้นที่นี่เพราะมันมืดที่ใจค่อยสว่างขึ้นมาสว่างขึ้นมาที่นี่เองแล้วจากนั้นมันจะค่อยรู้เรื่องรู้ราวเป็นความเรียบข่ายขึ้นจากปัญญาที่พิจารณาชำนิชำนานโดยลําดับนี้แหละอืมกิเลสประเภทต่างๆที่ไม่เคยรู้ก็เห็นมันก็รู้ก็เห็นขึ้นมาจากการพิจารณาทางด้านปัญญาให้พากันตั้งอกตั้งใจนะ เวลานี้ศาสนานี้เหลวไหลามากนะสำหรับพระเนนเราโจนจะดูไม่ได้มองดูหน้าพระนี่เรียกว่าดูไม่ทั่วถึงมันสรดุดตาสะเทือนใจไม่อยากดูเพราะปฏิบัติไม่ได้มีอะไรทําไม่มีทำมีไหนเลยมีแต่หมอร้นโคลนคนี้วมีแต่ความเะเยอะทะยานอยากดี ด, ดิ้นไปตามโลกตามสารทั้งหมดจนกลายเป็นพระจรวดดาวเทียม เป็นเครื่องมือใช้ใช้ยอย่างคล่องตัวของกิเลสไปหมดแล้วเวลานี้ทํามีที่ไหนอืตั้งวัดตั้งวาก็ตั้งไว้สําหรับส้วมรับฐานคือพระเนรเป็นส้ว ม, เ ป, วมเป็นฐานพอแล้วเป็นเครื่องเป็นสถานที่อยู่ของส้วมของฐานไปนหมดเรียกว่าวัดเรียกไปอย่างนั้นเนี่ยเอาผ้าเหลืองหัวล้นเข้าไปอยู่ในนั่นไปก็ไปเรียนวิชาทางโลกทางสงสานเขาไม่สนใจกับ อาจจะทำไม่น้ำำํำซ้ำไม่มีฮิโร่ตะปะไม่ทราบว่าศีลมีกี่ศีลก็ไม่ซาำนะพระเนรแต่โล ก, โลกคือมันไม่สนใจไม่มีฮีโร่ตะปะหมุนติ้วประจำกิเลสทั้งหมดแล้วเรียนฟาดไปทางโลกทางสานมันไม่ได้มาสนใจกับธรรมต่อไปทํามันจะไม่มีนะจะมีแต่กิเลสเต็มวัดเต็มวัดเต็มคำพีใบลานไปแล้วนะแทนธรรมของพระพุทธเจ้านะเพราะกิเลสมัน หน้าด้านเข้าไปทุกวันทุกวันดูที่เขาตั้งมหาวิทยาลัยป่าอมหาวิทยาลัยสงทุกวันเนี่ยท่านดูสิไม่มีใครพูดอย่างนี้มีแต่ผมพูดแล้วมาค้านมาได้ด้วยเนี่ยก็มันเป็นความจริงล้วนๆอันนั้นปลอมทั้งหมดนั่นฟังที่ไหนเมื่อค้านกันอย่างนั้นจ ะ, จะเอะไรมาผิดตั้งมหาวิทยาลัยสงขึ้นว่ามีแต่ความรู้วิชาของกิเลสตันหาเข้ามาเหยียบย่ำทําลายหลักวิชา แล้วกับกิเลสมันก็เสริมตัวมันเป็นประดับเกียรติไปแล้วนานๆพอเรียนหลบจากมหาวิทยาลัยสงแล้วโหโออาฟู่ฟ้านั่นเห็นไหมกิเลสมันพองตัวธรรมะมีไหมนั่นไม่มีเลยมีแต่กิเลสรุ่นวนนี่แหละที่ว่ามหาวิทยาลัยสง์คือมหาวิทยาลัยกิเลสสังหารพระบ้องกงนี่แหละมหาวิทยาลัยป่าบุญเจ้าทรงสอนมาไม่ได้โนใจนี่นะมันกลับเป็นไปมหาวิทยาลัยของกิเลส ที่ทำงานค่าตัวเองอย่างคล่องตัวเท่านั้นแหละนี่นี่มันพลิกไปอย่างนี้นะ่ะทุกวันนไปที่ไหนวัดใด้เราไม่ได้ดูถูกอผู้ตามคามหลักความจริงที่ได้เห็นได้ยินได้ฟังมาในความผิดพลาดของข้าเดรนสมัยปัจจุบันนี้จนจะดูไม่ได้ไปที่ไหนกล้องแผลนคอไปเลยเวิทยุโทรศรัพท์มือถือเนี่ยตัวสังหารใหญ่นะเต็มบ้านเต็มเมืองเห็นไหมกิเลสมันแทกเข้ารูไหม เรานี้มีแต่เรื่องกิเลสแท้แต่ก่อนมันก็มีแต่ไม่มีอะไรมาอส่งเสริมมันมันก็ไม่พองตัวเหมือนไฟที่อยู่ในเตาเมื่อมีเชื้อสายเข้าไปที่มันแรงเปลวขึ้นมาทันทีนี่เหล่านี้เป็นแต่เชื้อไฟดังนั้นอะหานั้นมาประกอบหานี่มาส่งเสริมแล้วถือว่าทันสมัยซะด้วยนะเออทันสมัยซะวเรื่องกิเลสทันทุกอย่างทันสมัยเพราะสัตว์โลกโง่ต่อมันมากต่อมากแล้วนจึง ไม่มีทิ่เรื่องว่ามรรคผลจะมีในผู้สนใจในทางอย่างนี้หมดทางอาศัยประชาชนชาวโลกเขาหากินไปวันหนึ่งมาหนึ่งในวัดในวาเขาจะว่าอะไรเขาก็ไม่อยากว่าเพราะเห็นแต่ผ้าเหลืองนะเสืตัวก็ะชันหนุกทําความช่วยช้าละมกแบบหน้าด้านหน้าด้านไม่อายไปตลอดสายเลยนะทีนี้สุดท้ายก็วัดก็เลยเป็นวัดพวกหน้าด้านไปหมด เพราะไม่มีฮีโอ่ตะปาดทมเป็นอย่างนั้นเวลานี้กำลังก้าวเขาอย่างนี้นะส่วนที่จะพูดที่ดีนั้นเราไม่ปฏิเสธมีหากมีแทรกอยู่เล็กน้อยท่านอยู่ด้วยความสงบไม่ว่าที่ไหนท่านก็มีของท่านอยู่ด้วยความสงบเงียบเงียบเหมือนไม่มีปากเหมือนไม่มีจมูกไม่มีหูมีตาหูหนวกตาบอดอยู่น่ะพูดไปไม่ได้นะถูกเขาเหยียบย่าทาลายไปเลย กิเลสนั้นนะมาเหยียบย่ำทำลายกับพวกพระมาเจรวดดาวเทียมพระทันสมัยนี่แหละทําลายศาสนาอยู่เวลานี้จะเป็นใครทาลายมีแต่พระเนรเหล่นล า, า, านั้นแหละทําลายสัมากต่อมากเนี่ยไม่ได้เป็นเหมือนอย่างแต่ก่อนเด่๋ยาพาไปที่ไหนชุ่มเย็นชุ่มเย็นเดี๋ยวนี้กลับเป็นฟืนเป็นไฟไปแล้วนะนมันเสียมากอย่างนี้แหละท่ยาลืมเนื้อลืมตัวนะพวกเราปฏิบัติมีวงกรรมฐานซึ่งเป็นทางถูกต้องดีงาม นี่เท่านั้นที่จะยึดตัวเที่ล้างเราเราไว้ได้ด้วยแล้วจะเป็นที่เกิดขึ้นความอัของามทำทั้งหลายเกิดขึ้นที่นี่นะเมื่ฝ น, นตกแล้วอะไรพอเท่านั้นแล้วพูดแล้วก็ไม่ได้ยิน ล, ละอืออละอละพากันเลิกกันเลยเนาะ <S <S ผมเหนื่อยพอแล้วเลยไม่ได้พูดอะไรมากนี่พ่วงนี้ก็มาแก้มุงใต้ชุนจลาแล้วนี่แล้วก็ อ, อะไรอยูแ่แะ